ซึ่งมีเจประการเริ่มต้นด้วยสติตามด้วยธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือแปลว่าสอด ส, ส่องธรรมก็จะบว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะเพราะาเราสอดส่องทำนี่ยเราก็ใช้ปัญญาในการเลือกเฟ้นธรรมจากธรรมวิจยะก็เป็นวิริยะความเพียรแลว้วก็ปิตินะความอิ่มใจอิ่มเ อ, อิบ ตามได้วยปัสสัตทีความผ่อนคลายสงบเย็นทั้งกายและใจแล้วก็สมาธิและวุูเบคขาที่พ่ชงครับปริที่ตอนนี้กำลังสวดกันทั้งประเทศเนี่ยถวายในหลวงเนี่ยก็คือการประสูตยที่พูดถึงคุณธรรมเจ็ดประการซึ่งชาวพูดเราเชื่อว่า สามารถจะช่วยบรรเทาโรคได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยที่พระองค์อาพาธนี่พระจุนทาก็ได้สวดพโคชงนะพูดถึงอนิสงค์ของทำเจ็ประการที่ว่าเนี่ยก็ทําให้พระองค์หายจากอาพาธได้คนก็เลยเชื่อว่ามีพโคชงกับปริษเนี่ยมีมีฤทธิ์มีอนิสง์ในทางอทําให้หายเจ็บหายป่วย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 พุจ้ตัดว่าต้องใช้ยาสดนะใช้ยาสดนะรับโยนก็ไปในกองเพลิงนั่นแหละมันนึงจะค่อยๆมอดหมายความว่าเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยอย่านะอย่าใช้ธรรมะพ่อชงกลุ่มแรกนะต้องใช้พ่อชงกลุ่มหลังก็คือว่ า, าปัสธินะสมาธิแล้วก็อุเบกขา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 ทำยิ่งมากยิ่งดีนะมันขึ้นอยู่กรณีด้วยนะถ้าฟุ้งซ่านมากแล้วทำความเพียรมากไปก็ยิ่งฟุ้งซ่านก็ไปใหญ่ต้องหย่อนลงมาบอกว่าพอท่านหย่อนความเพียรลงมาหน่อยนะในสุดก็บรรลุทำได้พระอานนท์ก็เหมือนกันนะพระอานนท์เนี่ยท่านได้รับมอบหมายให้ไปร่วมเป็นร่วมสังคีนาครั้งแรก หลังพุทธปรินิพานนะแต่ว่าท่านมีควัติดขาดอยู่ตรงหน่อยก็คือว่าผู้ที่จะร่วมสังขยานาต้องเป็นพระอรหันต์นะมีแล้วก็499รูปขาดขาดอีกหนึ่งรูปนะรูปที่500คือพระอานนท์แต่ว่าติดขาดตรงที่ว่าท่านยังเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเข้ามาร่วมสังขยานาได้เนี่ยท่านต้องเป็นต้องปฏิบัติจนได้เป็นพระอรหันต์ ท่านก็เป็นคนสาคัญด้วยเพราะว่าท่านทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เยอะมากนะความจําดีมากเป็นพระหูสูตรเป็นเอตทัคคะด้านประหูสูตรท่านะนก็เลยทําความเพียร น, นะทาความเพียรจนกระทั่งถึงก่อนวันสังเกตนาท่านก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยจนกลางคืนเนี่ยตกตึกเนี่ยท่านยังไม่เห็นทำ ที่เรียกว่าอรหัตผลเลยแลวท่านก็มันนึกมาไตรตรองดูนะอันนี้คงเป็นธรรมวิทยะหรือการพิจารณาใคร่ครวญถ้านคิดว่าเนี่ยคงเป็นเพราะเราทําความเปลี่ยนมากไปจิตจึงฟุ้งซ่านเพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะพักสักหน่อยท่านก็เลยคิดว่าจะพักสักหน่อยเนี่ยก็เลยนะจะนอนจะเอนกาย่ะที่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 เคยจาริกธุดงไปหาหลวงปู่มั่นอันนี้ประมาณสักหกสิบหกสิบเจ็ดสิบปีมาแล้วนะก็ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนะในช่วงปลายปลายของหลวงปู่มั่นท่านก็ได้ได้เรียนรู้นะธรรมะจากหลวงปู่มั่นเยอะแต่ก็มีคราวนึงที่ท่านสงสัยนะว่าหลวงปู่มั่นนี่ท่านสอนอยังไงก็คือมีพระเวลามีมีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะป่วยนะป่วย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 หลวงปู่มั่นพอรู้ก็เอ็ดเลยนะว่ายามีทําไมไม่กินนะยามีทำไมไม่กิ น, นทําไมทําตัวเป็นคนเลี้ยงยาแบบนี้นะลูกศิษย์นี่งงเลยนะหลวงพ่อเฟืองนี่งงเอ๊ะองค์หนึงบอกว่าอย่า ก, กินยาองค์หนึ่งบอกว่าให้กินยานะที่จริงเนี่ยท่านเนี่ยหลวงปู่มั่นเนท่านก็ไม่ใช่ว่าไม่คงเส้นค ง, งวานะก็อย่างที่บอกว่าคือยาเนี่ยมันดีก็จริงแต่ว่า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 ยิ่งรักษาไปนี่บางทียิ่งแย่นะนะคือเขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยไปเจาะคอไปใส่ท่อไปปั๊มแรงต่างผ่าตัดเข้าไปอีกน ย, ยิ่งทําก็ยิ่งแย่ยิ่งรักษาก็ยิ่งทุกข์ทรมานในกรณีแบบนี้ต้องอุเบกขาคือเรื่องทางกายก็คงต้องหยุดเท่านั้นแหละเว้นแต่ว่าดูแลบรรเทาความทุกข์เล็กๆในน้อยหรือวความทุกข์เช่นการหายใจหอบอ่นนี้ก็รักษาด้วยยาได้หรือว่า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 ลงไม้ลงมือเนี่ยสติเป็นตัวเบรกว่าเผาเผาหน่อยเบาเาหน่อยสติมันมีลักษณะพิเศษนะที่ไม่เหมือนอกไม่เหมือนธรรมะข้ออื่นๆในพ่ชงใจคือเป็นทั้งคันเร่งแล้วก็เป็นทั้งตัวเบรกมีความเป็นทั้งยาแห้งแล้วก็้าสดในเวลาพร้อมๆกันเมื่อการมีสติเนี่ย